ในยนิตเป็นไงในายานิตไปเล่นอะไรมาเ <c oughs> อ้าคุณเมื่อเช้าพูดเรื่องอะไรค้างไว้นะโอเคครับจะเรียนถามหลวสมมติว่าคืออย่างฟังไว้อย่างกรณีที่ดูจิตอนะคะที่บอกว่าต้องรู้ว่าอันนี้จิเป็นราคาเจริญโมฆะ ว่าโสดาจิตหรือพุ่งซางเป็นกบฏอเนี้ยเกิภาวะที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันมันไม่พัดเพราะว่าเป็นอะไรเนี้ยเราเราทําเราจะคือรู้เท่าที่รู้ได้แรกๆกเนี่ยจะรู้เสื้อารมหยับหยาบก่อนอย่างพอโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโกรธรู้จักไหมะนะถ้าพอความโกรธเกิดเน้่มันจะเห็นมันพุ่งขึ้นมาอนะหรือเวลาเผลอรู้จักเผลอยัง เผลอจะเผลอไปหกช่องทางเผอทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเผอทั้งตาอย่างเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาใจเราวิ่งไปอยู่กับเขาเราลืมตัวเราอเองเผลอทางหูอย่างตั้งใจฟังเขาพูดอะไรรู้เรื่องหมดเลยแต่ลืมตัวเองอยู่คนเดียวก็แอบไปคิดรู้เรื่องที่คิดนะแต่ลืมตัวเองอย่างขนาดเนี้ยรู้เรื่องที่คิดใช่ไหมแต่ลืมตัวเองรู้สึกมัครบไหะ แล้หน้าที่ของเราเนี่ยอันแรกสุดเลยต้องรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวสักจิตใจจะต้องตั้งมั่นตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเมื่อมันรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยต่อมาอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นเองคือคือที่พ่อพ่อแนะนำเนี่ยบางทีมันมันเหอนง่ายคือ แต่มันทำยากคือบางทีเราปุ๊บเรารู้สึกตัวปด้ก็ เ, เดี๋ยวคือในวันหนึ่งมันจะเกิดแบบ น, นี้อาจจะคือไม่กี่ครั้งมันจะไม่มันจะไม่บ่อยอ่านานๆแต่แป๊บๆ แ, แ, แ, แ, แ, แล้วมันก็มันเกิดได้แว บ, บเดียวแล้วก็หายไปอีกใช่ไหมหน้าที่ของเราคือให้แวบเนี้ยเกิดบ่อยๆวิธีที่ทําให้มันเกิดบ่อยๆนะไม่ใช่ตั้งใจทํานะเราต้องรู้ว่าอะไรทําให้สติเกิดขึ้น สิ่งที่เป็นเหตุให้สติเกิดเนี่ยคือการที่จิตมันรู้จักหรือมันจำสภาวะได้หน้าที่ของเราก็ต้องตามรู้สภาวะบ่อยๆตามรู้สภาวะบ่อยๆเนี่ยก็อย่างตามรู้จิตบ่อยๆก็เรียกจิตตามรปัสนานนะั่นเองเมื่อเราตามรู้จิตบ่อยๆในที่สุดสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับจิตนะสติก็จะเกิดขึ้นเองะระลึกขึ้นมาได้แวบหนึ่งนะเดี๋ยวยังเราก็หลงไปใหม่อย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนรู้อีกแว บ, บหนึ่ง แต่ว่าแว บ, บนี้จะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคนในโลกนี้หลงทั้งวันทั้งคืนหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่างของคุณที่บอกมาเนี่ยมันเริ่มตื่นมาวันละสองสามครั้งแล้วเห็นไหมเน <c oughs> ี่ยเพราะงั้นต่อไปเนี่ยคอยสังเกตใจของเราบ่อยๆนะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้แต่อย่านั่งจ้องห้ามนั่งจ้องนะจาไหมนะไม่จ้องนะจาได้ไหม <c oughs> ไม่เพ่งนะหรือไม่เพ่งไม่จ้องอันหนึง่ง อันที่สองให้มันเกิดไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่ามันเกิดอย่างมันต้องโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธอย่างนี้ใช้ได้แท้จริงแล้วเนี่ยการรู้สภาวะทางใจพวกเราคิดเอาเองว่ายากถามว่ารู้จักโกรธไม่รู้จักใช่ั้ยรู้จักกลัวไหมรู้จักรู้จักเกลียดไหมรู้จักกังวลไหมรู้จักโลภมใช่ไรู้จักทุกตัวเลยไหมถามตัวไหนรู้จักหมดอิบขาเป็นไมม เต่อไปนี้ง่ายสุดๆเลยความรู้สึกอะไรกําลังโผล่ขึ้นมานะปรากฏอยู่นะนะก็รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วแค่นี้พอแล้วไม่ต้องทําอย่างอื่นคือพอเรารู้กดทนะุกเนี่ยคือคือการสงสัยวิธีว่าพอรู้กดแล้วมันตั้งมันก็จะหายแล้วเราจะรู้คือรู้แค่แบบมันแค่ไหนบางทีมันฟันโกรธมันจะไปเกิดมันจะว่างๆอ่าแล้วอนะไรแป๊บเดียวว่างๆสว่างโล่งขึ้นมาแวบเดียวนะเพราะอะไรเพราะว่าจิต ตรงที่สูมวติว่าเผลอไปอาเผลอง่ายเนี่ยเผลอไปพอรู้ว่าเผลอมันก็เลิกเผลอแล้วมันจะว่างขึ้นมาแวบหนึงสว่างขึ้นมาแวบหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวก็เผลอใหม่นะตรงที่มันเผลอไปเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าเผลอแล้วสว่างขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นกุศลนะแต่เสร็จแล้วมันก็ดับอกุศลอันใหม่เกิดขึ้นเช่นเผลอครั้งใหม่หรือว่าเกิดการบังคับตัวเองกลัวจะเผลอเลยนั่งจ้องไว้นั่งเกรง เนี่ยมันจะผิดไปสองอันถ้าไม่เผลอไปก็บังคับไว้หน้าที่ของเราจบลงแค่การรู้กระบวนการของการปฏิบัตินี่ก็คือพอมันเผลอไปรู้ว่าเผลอจบแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มเผลอครั้งใหม่อาจจะเผลอไปคิดหรือว่าเผลอบังคับตัวเองไว้ก็รู้อีกทีหนึ่งมันก็ได้อีกแว๊บหนึ่งนะเพราะงั้นเจ็บอกุศลกับกุศลเนี่ยจะสลับกันสี่หิบเลยอย่านงะตอนนี้นีไปคิดแล้วใช่ไหม เนี่ยเนี่ยกุศลมันเกิดนะเนี่ยอกุศลเกิดอีกแล้วดูไหมหลงไปคิดอีกแล้วหนะลงไปคิดเนี่ยจิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหนะจิมีโมหะรู้ว่ามีโมหะเพราะงั้นเราจะดูทีลักษณะทีลักษณะเช่นเผลอไปเรารู้ว่าเผลอจบลงแค่นี้แล้วการปฏิบัติถัดจากนั้นก็จะเผลอบ้างเพ่งบ้างนะอาจจะมาเพ่งไหมกลัวจะเผลออะไรเพ่งรู้ทันว่ากาลังเพ่งอยู่ รู้ทันม่ากำลังเพ่งนะถ้ามันไม่ไม่เลิกเพ่งอยากเลิกเพ่งให้รู้ว่าอยากเลิกเพ่งเพราะงั้นหน้าที่ของเรารู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางนะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางมันเผลอรู้ว่าเผลออย่าไปเกลียดเผลอนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกตัวแวบความรู้สึกตัวดับไปอีกนะเขาไม่ต้องไปเสียดายมนะันเสียดายรู้ว่าเสียดาย อยากให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่าอยากเนี่ยหัดรู้ลงไปอย่างงี้รู้ง่ายๆ่ายรู้ซื่อเลยนะรู้แบบคนโง่โง่ไปเลยอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ไปอย่างนั้นนะถ้าทําอย่างนี้แล้วก็ไม่นานเลยส่วนใหญ่จะไม่รู้อย่างซื่อตรงนะรู้แล้วชอบดัดแปลงเช่นเผลอไปพอรู้ว่าเผลออุ้ยทำไงจะไม่เผลออีกเอยากบังคับอีกล้วแต่ถ้าเราเผลอแล้วรู้ว่าเผลอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอนะหรือว่าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธ โลแล้วรู้ว่าโลกเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นกิเลสนะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เจตนาให้เกิดอ่ะมันเกิดของมันเองใช่ไหมอย่างเผลอเนี่ยไม่ได้เจตนาเผลอเลยมันเกิดเองห้ามมันไม่ได้ด้วยมันจะเผลอหรือเวลาโกรธมันก็จะโกรธห้ามมันไม่ได้เห็นไหมจิตที่เป็นอกุศลนะห้ามไม่ได้ฝั่งไม่ได้บังคับไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวไม่ได้เจตนารู้สึกมันรู้สึกขึ้นมาเอง มันรู้สึกเพราะมันมีเหตุคือมันจําสภาวะได้มันรู้ว่าโกรธเป็นยังไงพอโกรธปุ๊บมันจําได้มันรู้สึกขึ้นมาเลยมันรู้ว่าหลงเป็นยังไงมันจําได้แล้วพอความหลงเกิดขึ้นมันรู้สึกขึ้นมาเองเลยรู้ว่าหลงไปแล้วสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ว่าอ้าวโกรธไปแล้วระลึกได้ว่าอ้าวหลงไปแล้วนะแค่นั้นเองเสร็จแล้วจิตที่เป็นกุศลอย่างอยากพูดทรับไหมดูออกไหมเมื่อกี้อยากพูดนะ เนี่ยเห็นไหมมันอยากพูดอีกแล้วมันทนไม่ได้ดูออกไหมนั่น <c oughs> ลองดูสิอยากพูดนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะหัดตัวอย่างนี้นะตัวอื่นๆก็ดูแบบเดียวกันนี้นะที่หลวงพ่อไม่ให้พูดไม่แช่อะไรหรอกกาลังดีแล้วกําลังมีกิเลสอยากพูดมันดูง่ายถ้าดูอยากพูดแล้วเห็นอยากพูดนะจะเห็นเลยมันดับไปแล้วจิตตื่นเบิกบานรู้สึกไหมกิเลสอื่นๆก็ดูแบบเดียวกันนี้นะ ดูอย่างเดียวกันนี้ไม่ใช่เพ่งมันใช่ไหมเราแค่รู้เฉยๆจาได้อย่างวิธีการตัวอื่นตัวแบบเดียวกันนี้แหละเห็นไหมท <c oughs> นไม่ได้อีกละทนไม่ได้ละรู้สึกไหมมันคันๆข้างในเห็ น, ไ ห, นไหมอ้าวพูดได้เดี๋ยวกลุ้มใจ ค, คือสมมติว่าเราเดินอยู่เราเดับไกลหงสมมติว่ามีลมมีลมพัดมาคือกระทบกายเราเนี่ยคือเราจะดูว่าตอนนี้มีลมกัน คืออารมณ์อะไรมากระทบก็รู้อารมณ์มันนั้นเพราะเรามีทวารทั้งหกทวารอารมณ์ก็เข้ามาทางทวารทั้งหกแต่เมื่อกระทบทวารทั้งหแล้วเนี่ยความรู้สึกใดๆเกิดที่จิตเนี่ยนะให้รู้ทันที่จิตหกช่องทางนั้นเป็นประตูเข้ามาเพื่อจะมารู้ทันจิตยกตัวอย่างตามองเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะรู้ว่าจิตมีราคะไม่ใช่รู้ว่าสาวสวยนะ ได้กลิ่นหอมนะได้กลิ่นหอมนะใจมันชอบรู้ว่าใจชอบไม่ใช่รู้ว่ากลิ่นดอกบัวหลาบอะไรอย่างนี้ไม่ใชนะ่อากาศร้อนๆอยู่ลมโชยมากระทบผิวกายเรารู้สึกสบายใจรู้ว่าสบายใจไม่ใช่รู้ว่าลมมาพัดถูกตัวเราคือคือคือประเด็นเห็นในนั้นหนสมมติว่าเรารู้ใจอย่างศาสนาเนี่ยหมายถึงวาลมมันกระทบกายก็เราจะคุณไม่เหมาะกับการรู้กายหรอก มันมันมั น, ม, นมันคือไม่จำไม่จำเป็นต้องตรงรานนี่รือว่าคือการกระทบเนี่ยยังไงก็ต้องรู้เพราะว่าเรามีกายใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกทางกายมีประสาททางกายนั้นกระทบยังไงก็ต้องรู้สึกแต่เมื่อรู้สึกแล้วเนี่ยจิตใจหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันที่จิตเนี้ยนะแต่กระทบแล้วใจเราเฉยเฉยรู้ว่าเฉยเฉยกระทบแล้วชอบรู้ว่าชอบกระทบแล้วเกลียดรู้ว่าเกลียด งั้นทําอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนลราง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อเสียงกระทบหูอห่างคนเขาชมเราความยินดีเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันได้ยินเขาดา่าเสียงกระทบหูเ้ดาด่าความยินร้ายไม่พอใจเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันนั่งอยู่คนเดียวนั่งคิดไปคิดเรื่องนี้มีความสุข มีสติรู้ทันเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์เนี่ยความคิดนึกทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมารมณ์ใจไปรู้เข้าเมื่อใจไปรู้เข้าแล้วเนี่ยความรู้สึกใดๆเกิดที่จิตนะให้มีสติรู้ทันเพราะฉะนั้นเราจะทางผ่านทั้งหมดเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแต่เมื่อกระทบแล้วจิตหวั่นไหวยินดียินร้ายให้รู้ทันมันรู้ทันจิตนะหรือจิตเกิดกิเลสใดๆขึ้นมายังอยากพูดเนี่ย ความคิดกระทบใจใช่ไหมคิดขึ้นมาแล้วก็เลยสงสัยสงสัยแล้วอยากถามอยากถามเน้่เห็นวความอยากมันพุ่งในใจรู้ทันปุ๊บมันจะสลายเลยจิตจะตื่นขึ้นฉับสันเลยนะเพราะงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ทันเข้ามาให้ถึงใจแต่อย่านั่งเพ่งจิตนะให้มันเกิดอารมณ์ขึ้นก่อนเกิดความรู้สึกขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทีหลังแต่ว่าไม่ใช่หลังนานๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้นึกได้อย่าง น, นี้ไม่เอา ชาไปต้องไม่มีอารมณ์อื่นมาขั้นเสียก่อนโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธโรคแล้วรู้ว่าโลคหลงแล้วรู้ว่าหลงไงคุณสุนันหมู่นี้เก่งขึ้นแล้วะสบายขึ้นไหมสบายนะรู้สึกไหมมันไม่ได้เจตนาจะรู้แต่มันรู้เองมันรู้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นเองอนะเป็นธรรมชาติเอง ไม่ไม่อะไรก็ได้อย่านงะอยากทำสมาธิรู้ว่าอยากทำสมาธิสงสัยว่าเอ๊ะจะขยับดีหรือทำสมาธิดีรู้ว่าสงสัยนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเมื่อกี้ไปทำอะไรนะใช้ไม่ได้เป็นอะ่งบ้างคุณคุณวุฒิชัยเป็นไ ง, นนะนไงตื่นบ่อยยนันะของคุณเป็นหย่งบ้าง มาด้วยกันเลยคุ ณ, ออ ค, ณคือเราปล่อยมันเราไม่บังคับมันอยู่แล้วะนะแต่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ให้ไวๆหน่อยอย่ารู้ช้าก็แล้วกันนะให้มันเกิดก่อนนี่บางคนพยายามบล็อกไม่ให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนี้ผิดเพ่ ง, งเจ้าอาไว้ไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่ว่าจะดีไม่ดีหรอก แค่จิตมีราคารั่วมีราคานี่ดีกว่าสีอีกนะเป็นไงจิตไปทำอะไรเมื่อกี้นี้อะไรนะถูกแลมวนะถูกแล้วนี่หัดดูอย่างเงี้ยนะหัดรู้สึกอย่างเงี้ยถูกแล้วนะนะคุณวุฒิเป็นไงหนีไปละนะของคุณเป็นไงบ้างนี่มากับอาจารย์ฟูเหรอเป็นไงภาวนาเป็นไงม้าง คนผู้ชายเนี่ยแล้วเวลาเคยมีคนชมบ้างไหมหมืมีแต่คนว่าคือ <c ười> จริงๆนะเราคอยรู้ความรู้สึกเราเรื่อยๆทําอะไรเราก็คอยรู้ไปได้นะแค่ดูหนังก็ทําได้นะดูหนังฟังเพลงก็ยังรู้ได้อย่างฟังเพลงนี้แล้วมันชอบรู้ว่าชอบฟังเพลงนี้ลาคาญรู้ว่าลาคาญ ง่ายๆอยู่ในชีวิตจริงๆนะเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะว่าคืออะไรอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ยากๆต้องทําไปนานๆถึงจะรู้ถ้าเราคิดว่าธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังไงก็ไม่เห็นธรรมะธรรมะจริงๆนะก็คือรูปกระธรรมกับกายนี้กับนามมาทำคิอใจนี้ค่อยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆกายกับใจจะแสดงธรรมะให้ดูแสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับไม่ได้ นี่เรียกว่าธรร ม, มนะรู้จักใจลอยไหมนะมันใจลอยเราก็รีบรู้ไวๆนะใจเราจะชอบหนีไปคิดทั้งวันบางครั้งเราก็คิดไม่รู้เรื่องว่าคิดอะไรเคยเป็นไหมนะบางครั้งคิดรู้เรื่องที่คิดนะแต่ขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดนะ่ะเราจะลืมตัวเราเองนะเอาคุณผู้ชายหนีไปอีกแล้วคุณ แต่นหนีแต่มนลืมตัวเองรู้สึกไหมลืมขอคุณเป็นไงเคยมาไหมเป็นไงทำได้บ้างยังเล็กน้อยก็ยังดีนะเออกูสดเล็กน้อยก็เอาไว้ก่อนนคอยรู้ความรู้สึกเรื่อยๆดูหนังฟังเพลงทำได้ น, นั่นอย่างดูละครเนี้ยเห็นนางเอกสวยรู้สึกชอบเพราะเขาหนิสัยดีชอบรู้ว่าชอบ เห็นนางอิดช้าเกลียดมั้นรู้ว่าเกลียดเนี่ยเอาใจช่วยนางเอกช่วยไปเล่นนางเอกก็แพ้เขาเลยเลยชักโมโหแล้วโมโหรู้ว่าโมโหทำง่ายๆอย่างเงี้ยเดินไปเที่ยวนะศูนย์การค้าไปเห็นของสวยๆอยากได้อยากได้รู้ว่าอยากได้อย่าเพิ่งซื้อนะเอาไว้ดูก่อนอยากได้รู้ว่าอยากได้หัดไปอย่างง่ายๆทำอะไรอยู่รู้ทันมันว่าคิด ถ้รู้ทันมันจะตื่นอย่างนี้เราจะต้องตื่นบ่อยๆตื่นเนืองๆสังเกตไหมตอนที่เราตื่นแค่เราหลุดออกไปจากโลกของความคิดดูออกไหมถ้าเราหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยกายยังไม่ใช่ตัวเราใจก็ไม่ใช่เรารู้สึกไหมร่างกายนี้มันไม่เป็นตัวเราเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งก็ไม่รู้แต่เนี่ยอย่างงี้เป็นตัวเรานล้เข้าไปคิดตอนนี้ทําอะไรอรู้ทันนะแล้วตื่นขึ้นมาอย่างนี้ ตื่นบ่อยๆเห็นไ้ยแค่รู้ทันก็ตื่นแล้วง่ายจะตายไป <c oughs> แต่ว่าตื่นแล้วเราจะหลับใหม่อย่างรวดเร็ว <c oughs> อันนั้นเป็นธรรมดาต้องเข้าใจนะเป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องประหลาด <c oughs> เพราะว่าเราตื่นขึ้นมานี้ด้วยอำนาจคณิกะสมาธิชั่วขณะเนี่ยฝันไปอีกแล้วทราบไหมมีไปคิดอีกแล้วทำอะไรตอนนี้ทำอะไร ไม่ต้องพยายามไปคําความเข้าใจมันเมนะนะพยายามใหญ่นะไม่ต้องแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเรื่อนยะแล้วง่ายที่สุดเลยสัง เ, เกตไหมตรงที่เรารู้สึกขึ้นมาปุ๊บความปรุงแต่งดับทันทีเลยนิพพานคืออะไรรู้ไหมนิพพานคือวิสังขารไม่ปรุงแต่งเพราะงั้นทันทีที่รู้ทันความปรุงแต่งขาดปั๊บใกล้กับ น, นิพพานละ ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นนะไม่ใช่ว่าทํานิพพานให้เกิดนะนิพพานมันมีอยู่แล้วนะมันไม่เกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดได้มันก็ตายได้เฉพิงแต่ว่าเราไม่เห็นมันทำไมเราไม่เห็นเราโมวแต่ปรุงแต่งไม่เลิกเนะี่ยไปหลงคิดอีกล่ะนะสังเกตไหมพอรู้ทันมันก็หลุดออกมาจากความคิดแล้วก็กระโจนเข้าไปใหม่กระโจนใหม่รู้อีก รู้อีกมันก็จะหลุดออกมาอีกนะทําไปเรื่อยๆทำไปอย่างเนี้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทําไปอย่าเลิกนะถ้าเลิกแล้วก็ขาดทุนยับเยินเลยถ้ามาทําได้ขนาดนี้แล้วเลิกเนี่ยนะเสียชาติเกินเลยนะโอ้หลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่านะเพราะว่าน้อยคนนะที่จะตื่นขึ้นมาอย่างเนีนะ้งั้นตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยใครรู้สึกเรื่อย่่่่นน่่่่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ สันไปเลยเห็นไหมพอจะดูออกก็ยังสังเกตไหมว่าจิตตรงที่ตื่นไม่มีกิเลสหรอกแล้วก็ไม่มีความทุกข์ด้วยรู้สึกไหมความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะ่ะเกิดตอนเผลอเท่านั้นตอนหลงไม่หลงไม่ทุกข์หรอกเนี่ยหนีอีกแล้วเห็นไหมหนีไปหาทุกข์บังคับไม่ได้เห็นไหมดูออกไหม มันจะอยู่หรือมันจะไปเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ดูออกไหมเนะี่ยแค่เราตามรู้สึกนะั้นในที่สุดเราจะเข้าใจความเป็นจริงจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสักยะที่ถีขาดลงตรงนี้เลย<ม>เห็นไหมไปอีกล้เห็ง่ายโยว่างายโยองงงลงมานั่งตรงนี้เอาเสื่อมานั่งนี่ไปลากเสื่อมานั่งตรงนี้ะ แกมีสะไกลเลยเห็นไหมเราไปดูเขาพอเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองนึก็ออกไหมเพราะงั้นใจของคนนั้นจะหลงตลอดเวลาหลงดูเห็นอะไรก็ไปดูเขาลืมตัวเองหลงฟังอย่างมานั่งฟังอาจรมาพูดเนี่ยฟังแล้วก็ลืมตัวเองฟังไปคิดไปเนี่ยหลงไปคิดอีกแล้วนะดูออกไหมว่าหลงทั้งวัน หลวเพ่อไม่ได้แกล้งพูดนะในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงหลงทั้งวันแนหะน้อยคนถึงจะรู้สึกตัวแล้วรู้สึกก็รู้สึกได้ครั้งและแวบเดียวนะสั้นๆไม่ใช่ผิดปกตินะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะคำว่าต่อเนื่องไม่มีคำว่าต่อเนื่องเป็นคําที่ขัดแย้งกับคําว่าอนิจจังการที่พยายามพยายามพยายามไม่เอาเลย ไม่ช่วยเลยจะทําทให้หลงผิดพอยิ่งนานฝึกบังคับเนี่ยนานไปจะบังคับเก่งจะรู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้นะจะเกิดความหลงผิดเราจะเรียนไปจนเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราต้องการเรียนให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่ฝึกบังคับเพราะงั้นยิ่งบังคับเก่งยิ่งหลงทางแก้วเป็นไงแก้ววันนี้สบายใจยัง วันนี้มีความสุขมากกว่าวันโน้นแต่และวันไม่เหมือนกันคุณสุนันเดี๋ยวนี้ดีแล้วล่ะนะคอยรู้เรื่อยๆไปรู้ไปอย่างเนี้ยนะไม่ต้องทําอะไรแปลกๆขึ้นมานะของคุณสุนันไม่ค่อยมีปัญหานี่คนมีปัญหาคืคนที่ชอบเล่นแปลกๆแทนที่จะรู้ไปตามธรรมดาธรรมชาตินะจะไปเล่นอะไรฮะ อ, อะไรนะ มัชอบไปมันนิสัยเดิมนิสัยเดิมมันเคยเล่นมาอย่าไปยินดีกับมันนะของนิดน่ะไม่ใช่รู้เฉยๆของนิดยินดีกับมันด้วยนะให้รู้ทันนะเพราะงั้นเราไปรู้ไปเห็นอะไรอย่าไปพูดคนอื่นนะรู้แล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะถ้ายิ่งไปพูดคนอื่นนะกิเลสเรายิ่งแรงเลยแต่ไปเรายิ่งภูมใจนะอย่าไปเล่นอย่างนั้น ยิ่งเล่นยิ่งเสียเห็นกิเลสของเราดีกว่านะดีกว่าเห็นคนอื่นอิทธิรทธิตทั้งหลายนะั่นน่ะของหลอกมานมันหลอกเอาเอาของเล่นมาให้เล่นจะได้เลิกปฏิบัติซะโ ม, มกมุ่นเล่นกีฬาทางใจมาเล่นไปเรื่อยๆมาหน้าตาก็จะแรงขึ้นกูจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะของเรามันมีของเก่ามา เมื่อก่อนเป็นนางยักษ์ร้ายนะดีดีแล้ว <Yeah. S 1> เออนะรู้ไปอย่างนั้นนะ่ะดีแล้วล่ะรู้ไปเรื่อยนะนิทรรศรู้ได้ดีอยู่แล้วแต่อย่าไปเล่นเพราะงั้นต่อไฟไปรู้ไปเห็นอะไรอย่าไปเล่าคนนะ <Yeah. S 1> ต้องเชื่อหลวงพี่นะอย่าไปเล่าคน <Yeah. S 1> นางยักษนะ์เนี่ย จริงๆเนี่ยกายไม่มีความรู้สึกกายเป็นวัตถุธรรมชาติของวัตถุไม่รู้อารมณ์งั้นกายไม่มีความรู้สึกอะไระเวทนามันก็ไม่ใช่จิตดวงใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเหมือนภาพลวงตาเหมือนควันไฟเไมล็ด่านเข้ามามันเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากก็สักว่ารู้ว่าดูไปถูกแล้ว เออทำให้มันดูเฉยๆดูไปอย่างนี้แหะถูงแล้วล่ะแต่ว่าอย่าไปเล่นอะไรอุตริตนะเดี๋ยวเสียเราภาวนาของเราก็ดีแล้วภาวนาไปจิตใจมันมีกําลังขึ้นมาช่วงนี้รู้สึกไหมเนี่ยจิตมันมีกําลังแล้วเนี่ยอของเก่าๆที่มันเคยเล่นมันก็ขึ้นมาเราะนั้นอย่าไปเล่นมันถ้าเล่นมันแล้วจะเสียเนี๋ยชาตินี้ก็ไปได้เท่าชาติก่อนอีกไปต่อไม่ได้ ต้องเข้มแข็งนะใจแข็งแข็งกล้าทิ้งนะต้องกล้าทิ้งมันไปนะครูบาอาจารย์เคยสอนทิ้งหมดได้ทั้งหมดเลยอย่าเอาทั้งหมดมันไม่ได้อะไรเลยงั้นหัดเจริญสติไปรู้สึกตัวเรื่อยๆจิตมันมีกำลังก็ดีแล้วคอยรู้ไปจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นไปเลยนะ ไปเห็นมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตเหมือนเหมือนกันหมดต้อมว่าง่ายต้อมอย่าคิดมากนะคิดเยอะไปอย่าพยายามเยอะนะแต่ดูบ่อยๆ อ, อ้อาวลูกฝิดตัวน้อยอยากกินไอติมรู้ไหมเวลาอยากกินกินไอติมดูออกไหม อยากดูหนังนะดูออกไหมอยากดูการ์ตูนอะไรเงี้ยดูทันไหมไม่ทันเหรอให้มันอยากไปก่อนนะแล้วก็รู้ทีหลังนะไม่ต้องไปดูให้ทันหรอกเอาว่ามันอยากดูแล้วก็รู้ว่าดูอยากดูนะว่าไงโยมเป็นไงบ้างดูไม่ทันเหรอลูกหลายคนทั้งหมดดูลูก จิตใจมีกำลังมากขึ้นแล้วล่ะรู้สึกไหมมันตั้งมั่นขึ้นนะเนี่ยมันตั้งมั่นเราก็คอยรู้คอยดูนะจะไปเรามีกำลังขึ้นมาแล้วอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจเราก็จะคอยดูไปคอยรู้ในปฏิเวทแรงตกไปหน่อย <c oughs> งานเยอะเหรอ <c oughs> แฟนมีแรงเยอะขึ้นมาละ ถ้ามันมีฉันทาแล้วมันจะขยันดูนะถ้ามันมีโลภะแล้วมันจะอยากของต้อมมาโลภะมันเยอะใช่ไหมมันเยอะกว่าฉันทาอีกรู้สึกไหมมันอยากได้ผลนะนะอย่าคิดมากเนี่ยคิดมากรู้สึกไหม ออนะต้องมาใช้ความสังเ ก, เกตเยอะเื้นไปแท่จริงแล้วต้องให้สภาวะมันเกิดแล้วก็สติระรึกขึ้นเองนี่ไม่ต้องค้นกวา้าศึกษาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยไม่ต้องนะรอดแกแลมเป็นไงนิดเออดีนะ มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเริ่มจะเป็นวัยรุ่นละอา้าวว่าไงวันนี้ทำไมวันนี้สงบสงเงียมผิดปกติอแต่ว่าวันนี้ดีแล้วละ่ะหัดรู้ไปอย่างเนี้ยรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าช่างพูดนะเวลาพูด <c oughs> เป็นจุดอ่อนของเราเพาั้นอย่าคุยเยอะถ้าเราไปคุยเยอะ พวกมากคุยมากจิตจะเตลิดเลยสังเกตไหมว่าพอเริ่มพูดจิตกระโจนเลยเพราะงั้นพูดน้อยๆทำได้ไหมพูดเท่าที่จำเป็นนะเรียกว่าสํารวมวาจาไป ท, ทำตรงนี้นะทาสารวมวาจาได้ละจิตมันดีขึ้นเห็นไหมมันขันปากยิบยิบยิบหเห็นไหมเห็นไหมดูออกว่าดูไปก่อนไปหายขันแล้วไปพูดนะ วิ่งใส่มันไม่ได้นะมีอะไรไหมอะพูดได้ก็ืคามว่าจิตรู้สึกว่าจิตมันมี่มีสเปซนะคะไม่รูว่าจิตมันนิ่งห่ากแไม่รู้ว่าแต่มันไม่ได้โมคือไม่ได้คิดว่าเป็นโมค่ะอืมไม่ใช่โมหะอ่ะนั่นแหละมันคือจิตที่รู้สึกตัวก็้มามันจะนิ่งนิ่งนะมันจะเงียบเงียบ จิตที่พูดใจใจใจเนี่ยจิตฟุ้งซ่านกับนิ่งนิ่งนะเพราะงั้นจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมานะีมีโสมนัสเวทนาเบิกบานกับอุบเบกขาวเวทนานะแต่ถ้าหนักๆแน่แนแ่นแข็งแข็งึมซมชื้นชืนชี้ขาดได้เลยว่าอากุศล น, นะหนีไปแล้วนะหนีไปแลนะรู้นะ <S <S 1> <S 1> สึกไป คุณนกเป็นไงคุณนกยานี่สวยเลยตอนอยู <t <t <t so ่บ้านจิตเหมือนตอนนี au <t <t yes> ้มั้ยไห่เออใช่ได้ตอนนี้มันแข็งไปมนเกร็งไปนิดหนึ่งดูออกใช่ไหมเกร็งอ่เชิญอ่าแล้วเขาแข็งเพราะรู้สึกอัดนั่ ที่แข็งเนี่ยเพราะเราไปจงใจควบคุมบังคับเขาแต่ว่าพอมันรู้สึกขึ้นมาเนี่ยยังรับเผลอๆอยู่นะเผลอไปเนี่ยรู้สึกสบายๆพอรู้สึกตัวปุ๊บมันจะมีความสุขสบายแวบหนึ่งหลังจากนั้ น, น่ะเพราะเราอยากรู้ให้ชัดมั่งกลัวว่าจะหลงไปครั้งใหม่มังเราก็เลยไปบังคับไว้พ็บังคับไว้ก็อึดอัดขึ้นมาก็อึดอัดขึ้นมาก็คืออารมณ์มันใหม่ละจิตประกอบด้วยโทสะแล้วเนี่ย ให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบมันลล้วรู้สึกไหมไม่ชอบมันให้รู้ที่จิตที่ไม่ชอบมันจิตมีโทสะนะความไม่ชอบดับไปจิตเป็นกลาง้การเพ่งนี้ก็ดับไปเราปฏิบัติถ้าเป็นแทบตายเน้นนะปฏิบัติจกนกระทั่งจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางความเป็นกลางเป็นประตูของมรรคผลอย่างเวลาจิตของเรากระทบอารมณ์ปุ๊บจะยินดียินร้ายยินดียินร้ายแล้วก็เกิดการทํางานต่อไป นนจิตของเราสังเกตให้ดีเดี๋ยวก็อยากโ น, น่นอยากนี่อยากดูเกิดการทำงานวิ่งไปดูอยากฟังนะเกิดการทำงานวิ่งไปฟังอยากรู้เรื่องเกิดการทำงานคือวิ่งไปคิดดังนั้นจิตเราจะมีความอยากคือตัณหาเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เกิดการทำงานทางใจเรียกว่าพบตัณหาเป็นผู้สร้างพบดังนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่มันยินดียินร้ายไม่เป็นกลางขึ้นมา มันจะหมดความยินดียินร้ายมันจะเป็นกลางไม่มีตัณหาไม่ปรุงแต่งอะไรพะจิตมันหมดความอยากหมดความหิวหมดความหิวอารมณ์มันก็หมดการดิ้นรนสแสวงหาจิต ท, ที่ไม่หิวจิต ท, ที่ไม่ดิ้นรนสแสวงหานะจิตอย่างนั้นน่าจะไปรู้นิพพานเพราะนิพพานคือวิราคะหมดความหิวหมดความอยากคือวิสังขารหมดความปรุงแต่งสแสวงหาหมดการทางานทางใจ รู้สึกไหมว่าใจเราแอบไปทํางานให้รู้ทันเนี่ยการทํางานทางใจนะรู้เล่นๆถ้าจงใจไปจ้องไว้จะผิดอีกนะกลายเป็นจงใจจงใจก็คือเกิดการทํางานทางใจอีกแบบหนึ่งขึ้นมาละล้วรู้สึกไว้รู้สึกไว้เลอไปแล้วอย่าบังคับมันนะไม่แก้ไม่แก้อยากแก้ไหม อาวอย่างนั้นไปก่อนได้นะแต่อไปพอรู้ว่าสมาธิปุ๊บจะเห็นเลยใจนี่ไม่ชอบลนะพอรู้ทันใจที่ไม่ชอบก็เดือขาดสะบั้นหมดเลยอันนั้นใช่อย่างพอจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยใจเรารู้ว่าจิตเป็นสมาธินะก็คือใจไปรู้ธรรมารมเข้าจิตเกิดความยินดียินร้ายเกิดไม่ชอบเกิดยินร้ายรู้ทันเมื่อจิตยินร้ายขึ้นมานะความยินร้ายขาดปุ๊บ การปรงแต่งภบชาติตัวนี้ก็ขาด น, นี้พอเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเห็นเลยจิตเราจะสุดตรงอยู่ตลอดถ้าไม่หลงไปก็บังคับไว้นี่คือทางสุดตรงสองข้างถึงจะเป็นทางที่ผิดแต่ก็ห้ามไม่ได้เะฉะนั้นมันหลงไปมันเผลอไปรู้ว่าหลงรู้ว่าเผลอมันบังคับไว้รู้ว่าบังคับไว้อยากเลิกรู้ว่าอยากเลิก อ่ารู้ตั้งมั่นเก็อ่าแล้วก็รู้อีกนี้ว่าใจเราไม่ชอบแล้วละ่ะคำว่าเกินไปนะเกิดจากใจเราไม่ชอบล่ะที่จริงก็คือสภาวะทำใดๆก็ได้เกิดขึ้นจิตที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแต่ตั้งแรงๆเนี้ยเราไม่ชอบเราก็ว่าตั้งมากไปเนะี่ยรู้ทันที่ใจไม่ชอบมันใจอยากให้คลายรู้ว่าอยากให้คลายรู้เข้าให้ถึงใจเลย อ่า ใ, ใช่ใช่ใช่เป็นหลับแต่ตัวนะใจเนี้ยทํางานทั้งวันทั้งคืนมันมันคิดอ่าแล้วทีนี้ตามที่ดูดูมันปรุงแตไม่มีที่จะไปรู้ว่ามันรู้ไม่ได้เพราะว่าขนาดนั้นเราไม่มีสติจิตแท้ๆนะมันอ่ารู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วในเวลานั้นนะให้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปถ้าจริงคนอื่นๆก็เป็นอย่างนี้แต่เขาไม่เคยเห็นนะ เบลอๆมากกว่านี้นะจะรู้สึกเหมือนฝันไป <c oughs> ความฝันก็คือความคิดตอนนอนหลับความคิดก็คือความฝันตอนที่ตื่นอ่ะเข้าุ่มไปปุไปเรื่อยๆอ่า้คืนใช่ใช่จรเราที่เวลาตื่นเนี้ยจิตของเราคิดคอะไรไปเราจะรู้ตามรู้จะพอเรอนเนี้ยเราเร า, เราไมปตามข้กสเอ่าเพราะว่ามันไม่มีกำลังพอที่จะตั้งมั่นขึ้นมาได้นเะง <c oughs> ั้นเวลาปฏิบัติบ า, บางคนชอบไปสอน ให้จเจริญสติตอนนอนหลับใช้ไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน mm hmm. ตอนที่หลับแล้วจิตเคลื่อนไหวทํางานเนี่ยมันใช้อารมณ์เก่าเรียอตีตารมณ์เป็นอารมณ์ที่ตกไปแล้วไม่ใช่ปัจจุบันเพราะฉะั้นเรามีสติขึ้นมารู้ไม่ไดนะ้เรามีสติรู้อารมณ์ปัจจุบันได้เท่านะั mm hmm. ้นอ้างไปธรรมชาติมันบังค mm hmm. ับไม่ได้นะแต่ว่า พอมันคิดคิดปลุงปลุงไปแล้วเกิดกิเลสขึ้นมานะคราวนี้สติจะเกิดเองละเช่นสมมุติมันคิดคิดไปแล้วเกิดเห็นอะไรน่ากลัวสมมติสันน่ากลัวขึ้นมานะมันตกใจหรือมันกลัวความตกใจมันกลัวนั้มันจะย้อนมาดูความกลัวอัตโนมัติสมกลัวจะขาดปั๊บเลยตอนนี้เหมือนตอนตื่นมันจะทํางานอัตโนมัติเวืเราฝึกสติเรื่อยๆนะไม่แปะบายเจริญสติเนืองเนืองจนกระทั่งสติเกิดอัตโนมัติ พอเราเกิดนิมิตเวลาจะตายมันจะต้องฝันก็มีนิมิตนะฝันสมมติฝันเห็นต้นยิ้วกะทะทองแดงอสมมติว่โยเห็นกะทะทองแดงนะสมบูรณ์เห็นต้นยิ้วใจมันกลัวนะกลัวปุ๊บสติมันจะเกิดะระลึกเองเลยไอนะ้ต้นยิ้วกะทะทองแดงเลยหายหมดเลยจิตนี้สว่างโล่ขึ้นมาตายตรงนี้ไปสุคติเลยนะนะเพราะฉนั้นฝึกไปน ะ, จะเจริญสติไว้ถึงยังไม่บรรลุพระผลก็ยังดีอ ท้าเมไรฝันร้ายแล้วสติเกิดเองนะค่อยปลอดภัยหน่อยลนะเวลาจะตายแล้วเกิดนิมิตไม่ดีนะจิตมันจะทํางานอัตโนมัติช่วยตัวเองคนอื่นก็ช่วยไม่ได้นะ้พยายามช่วยตัวเองบางคนใกล้จะตายเรียกให้พระช่วย <c oughs> แต่เนึกถึงทราบไปเรื่อยๆไปสุขตินะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เขาเป็นในไงล่ะทำไมเราชอบปรุงแต่งทำไมไม่เ <false> ส <and> ียงกระทบหูใจมันชอบคิดต่อรู้ว่าอยากคิดอะไรอย่เยเห็นไหมเอาอีกแล้วทนไม่ได้อีกแล้ว ไม่ต้องดับไม่ต้องไปรักไม่ต้อ ง, ง <day> ให้รู้เฉยๆครูเจ้าสอนว่าจิตเป็นอกุศลนะรู้ว่าเป็นอกุศลนดีนะถ้าจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลนี่ยใช้ไม่ได้นะอย่างบางคนอยากมาวัดอยากมาฟังเทศอยากมาทําบุญเนะนี่ยจิตเป็นกุศลต้องดนะูสิ <S <S <idas S 1> ก็รู้ว่าเนี่ยจิตใจกํลาลังอยากมาวัดแล้นะรอเพื่อนที่นันไหมมันก็มาสาย ชักโมโหแล้วนะนะไงกุศลของเราบอกบางมากเลยคันพร้อมจะพลิกเปนก็นอากรุศลอีกหรือปลุกคุณน้มไม่ตื่นแนละชักญหญงงนุนหิตอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมพอรู้เรื่องบ้างไหมนะสังเกตไหมใจเราคิดเดยอะพอจะดูออกอยังนะทนทนนะหลวงพ่อไม่เรียกร้องอย่างอืง่เลยหลวงพ่อเรียกร้องอันเดียวว่าทนทนไหมเรียนธรรมนะเนี่ยต้องอึดอดนะ เพราะว่ามันเป็นของที่เราไม่ค่อยได้รู้ได้เห็นไม่เคยได้ยินนะเราเรียนวิชาทางโลกนะกว่าจะได้ปริญญาใบหนึ่งเรียนหลายปีศึกษาธรรมะก็ต้องใช้เวลานะอึดอึดเอาไว้นะบางคนเรียนกับหลวงพ่อทนไม่ไหวแนละ้วเครียดจัดทำไงก็ไม่เข้าใจนะมาถึงก็นั่งคิดอุตรุดเลยมันไม่เข้าใจหรอกคิดยังไงก็รู้เรื่องไม่ได้แต่ต้องหัดรู้สภาวะถึงจะรู้เรื่องนะคุณวุฒ รู้ไปนะรื้เรื่อยอย่าบังคับนะบังคับมากไปนิดนึงเห็นแ่ว่าตอนช่วงเครากๆมาความเครียดคือมันดูแล้วอคมันสวยกว่าถึงครดเห็เข้าไปเห็นคนว่าตัวความเป็นตัวเองคือเพราะเราอยากได้อยากอยากอยากให้นายชมอยากทำงานสเร็จคือมันหมาว่าีคนเข้าไปเยอหชั่าเราเครอืม ใช่สิพ อ, อมันเห็นต้นตอมันก็แก้มันรู้ตัว เ, เองอืมคือจิตนะมันพยายามจะช่วยตัวเองอยู่เสมอนิพามันรู้พามันดูไปถูกที่มันรู้ต้นต่อรู้สาเหตุนะเหตุ ด, ดับสภาวะอันนั้นก็ดับอย่างเราอยากให้ในายชมอยากให้งานดีไหมความอยากเกิดขึ้น ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมาสิแล้วตัณหาเป็นสร้างพบเออมันแนบเนียนสิคนถึงมองไม่ค่อยเห็นฟุ้งซ่านนะรู้สึกไปห้ามฟุ้งซ่านอย่าคุยนะเห็นไหมพอคุยแล้วเสีย รู้สึกไหมอันตรายหมายเลขหนึ่งของเราก็คือคุยจาไว้นะอยากคุยเยอะนนี้ทําไมต้องเป็นต้องคุยเยอะอยากคุยเยอะเพราะเราคลุกคลีกับหมูคนะ่คณะไม่เจ้าสารอยากคลุกคลีเราไม่คลุกคลีอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยคุยอยู่คนเดียวเดี๋ยวกลัวผีอีก มีแต่ท่านไม่สอนขรารวะนะไปหาที่ปฏิบัติเอานะล้วก็มาส่งกันบ้านที่ที่เหมาะกับการปฏิบัตินะก็คืออย่างวัดป่าที่ครูบาอาจารย์มรณภาพไปแล้วเนี่ยเ ง, เงียบๆแทบไม่มีคนเลยหรือสำนักที่เขาไม่สอบอารมณ์หรือสำนักที่เขาปล่อยให้เราทาเอาเองไม่ไปยุ่งกับเรา เราไปอาศัยสถานที่เขาเฉยๆอย่างเงี้ยดีแต่แต่ีว่าเราฝึากแล้วบางทีเราถูกคิตเาก็ไม่้จะไปอกคงต้องกลับคือามาต้อมาผกอาตมาเองเนี้ยนะสมัยเรียนกับครูบาอาจารย์เนี้ยรับราชการอยู่หลหลายเดือนสามเดือนสีเนส่เดือนเนี้ยถึงจะได้ไปหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งนะนะเก็บเงินไว้แล้วก็เก็บบัยุดไว้แล้วก็ลาไปปีหนึ่งไปได้ไม่กี่ครั้งนะ นี่เวลาที่เหลือเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราเจอปัญหาตลอดเส้นทาง น, ะนักปฏิบัตินะถ้าคนไหนไม่มีปัญหาเลยนะี่มีสองพวกนะคือพระอระหันต์กับพวกไม่ปฏิบัตินะแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเราจะเจอข้อหน้าสงสัยตลอดเส้นทางนี้ทำยังไงเราจะผ่านได้เราไม่มีกายานาณมิตรคืออยู่ห่างครูบาอาจารย์อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรานะคือโยนิโสมนานสิการการพิจารณาอย่างแยบขาย สมือิว่าใจของเราเนี่ยนะวันหนึ่งแต่มันสว่างขึ้นมาแล้วมันก็เฉยๆอยู่อย่เงี้ยอีกวันหนึงก็เฉยอยู่อย่าเงี้ยอีกวันก็เฉยอย่าเงี้ยเฉยมาอาทิตย์หนึ่งแล้วต้องรีบมีความแยกขายนะว่ามันต้องเพียนอะไรสักทีเงะทําไมมันจะเหมือนกันได้ทุกวันเนี่ยหรือปฏิบัติไปนะจิตเราแข็งแข็งขึ้นมาเราแหมรู้สึกตัวดีเลยแต่จิตมันแข็งอยู่นิดหนึ่งต้องเฉลียวใจนะว่าจิตที่แข็งแข็งมันอกุศลจิต มีความเฉลียวใจมันต้องมีอะไรผิดแล้นี่พอต่อ ม, มาอีกเอ๊ะอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ผิดมันยังไงนะถูกสงสัยอีกแล้วสงสัยเฉลียวใจอ๋อกำลังสงสัยอยู่เห็นไหมช่วยตัวเองมาอย่างนี้ใช้ความสังเกตนมีอยู่ครั้งหนึ่งจิดรวมลงไปปุ๊บนะแหวกออกเลยสว่างวางขึ้นมากามาราคะหายไปหมดเลย โอ้เรลอยจะได้พระอนาคามนะั้งตอนนั้นตอนเป็นราวาสนะเกือบยี่สิบปีไปแล้วเสร็จแล้วก็สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นพ้าอนาคามิใจนี้แมมีความสุขเลยนะเรื่องกามเมถุนกามอะไรนะี้ไม่มีแคลคานเลยสักนิดหนึ่งแต่มาสังเกตเวลาทานข้าวมีกับข้าวที่ชอบอยู่นิดหนึ่งอะ่ะจะยังชอบอันนี้มากกว่านี้อยู่นิดหนึ่งอะ่ะ ไม่ใช่ละถ้านาคาอะไรอย่างนี้ยังติดในรถอันนี้อยู่รถนี่ก็กามนะเนี่ยนี่คือความแยบคายนะเพราเราต้องอาศัยความแยบคายในการเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวถ้าเราไม่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อภาวนานี่นะโอ้เดินอย่างระวังมากเลยถ้าะเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารยนะ์ลองทำไปอย่างเนี้ย ทำไปแล้วก็คอยสังเกตแต่ไม่ใช่คิดไปทําไปแล้วไม่ใช่ลองสัตามรู้ตามดูไปเลยอย่างทีแรกกหัดรู้อยู่ที่กลางอกเนี้ยที่มาอยู่กลางอกเนี้ยไม่ได้เจตนาหรอกเห็นว่ากิเลสมันผุดขึ้นตรงนี้ก็เลยมาคอยดูอยู่ที่นี่เรื่อยๆคอยรู้คอยดูต่อมาสังเกตอีกเอ๊ะคนดูมันอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้นี่มันของถูกดู ครูบาาจารย์บอกให้ให้ดูจิตไอ้นี่มันไม่ใช่จิตเนี่ยจะมาดูตัวนี้หรือจะดูตัวนี้ดีอะไรเงเห็นไหมโอ้ปัญหาเยอะนะแต่อันนี้ไม่เฉลยนะนี่เอาไว้ดูเองจะเฉลยหมด <c oughs> ไอ้ตัวนี้หลวงพ่อดูสิบกว่าปีเนยะเจอหลวงปู่เทศนะจะถามหลวงปู่ดีไห ม, ไมจะดูตัวไหนดีไม่ถามเจอยังไม่ถามเลยนะขอไปดูก่อน ดูไปเป็นปีๆไม่เข้าใจอยู่นั่นแ่ะเจอหลวงปู่สิมพยายามจะถามเจอหลวงพ่อพุธจะถามนะจนเจอหลวงปู่สุวัส์จะถามนะมันก็ไม่ถามเอาไว้ดู <c oughs> เรียนธรรมะนะพยายามใช้โยนิโสมนสิกันแยกคายความแยกคายในการพิจรารณา ให้มันสอดคล้องกับคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอดคล Moi, ้องกับคาสอนของอาจารย์หรือสอดคล้องกับใจของเรานะอย่างเงี้ยถูกใจเราอะไรอย่างนงี้น่าจะถูกงี mm. ้ไม่ใช่ละหรืออาจารย์เราสอนมาอย่างเงี้ยน่าจะถูกแน่นอนเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะดูว่าสอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมอย่างอาตมาหัดทีแรกเห็นกิเลสนะหาทางละมันหาทางละมันตลอดเลย เรามาเฉลียวใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกให้รู้ทุกคืออะไรทุกคืออุปาทานขันทั้งห้ากิเลสอยู่ในสังขารขันงั้นหน้าที่ของเราคือรู้ไม่ใช่ละเนี่ยเป็นความแยบคายในการที่จะก้าวเดินไปทีละก้าวถ้าไม่งั้นจะหลงผิดเลยเจอกิเลสมาหาทางละมันไปเรื่อยๆวิธีล้ากิเลส ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือทําสมาธินั่นเองกิเลสหยาบจะเกิดขึ้นไม่ได้เราก็รู้สึกว่าหมดกิเลสแล้วแท้จริงแล้วจะไปตนิดราคาที่ละเอียดขึ้นมาหรือโมหะละเอียดโมหะละเอียดละเอียดเนี่ยอย่ยงอุท ธ, ธัจจะความรักเลยความรู้เนี่แหละตรวอุท ธ, ธัจจะมันอยากรู้อยากได้ความเข้าใจนะั่นตัวฟุ้งซ่านใจมันเลยฟุ้งซ่านขึ้นมา ไปดูเอานะไม่ยากอะไรหัดง่ายๆความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปพอรู้เรื่องไหมมาหลายทีแล้วดีแล้วละค่อยๆตื่นขึ้นมานะนง่วงมากไหมถ้าไม่ง่วงแนละ้วทำไมซึมหรืออาหารเป็นพิษ <c oughs> ถ้าง่วงต้องมาข้างๆที่โยไหโยเนี่ยตาแป๊วเลย <c oughs> ง่ายโยรู้เรื่องอย่างโยยังทําอยู่โยดูออกไหมโยอ่ะจะดูความเปนกลางแต่พอดูความเปนกลางเหมือนกับมันจงใจดูเหมือนกับยังจงใจอ่จงใจตลอดเนี่ยปัญหาใหญ่ของโยคือจงใจเพราะฉะนั้นเวลามันจะจงใจทําอะไรนะโยรีบรู้ทันมันไวๆมันจงใจปฏิบัติเดี๋ยวมันก็จะไปจงใจจะไปดูความจงใจ สังเกตไหมเวลาความจงใจเกิดขึ้นนะมันจะแข็งแข็งทื่อๆรู้สึกไหมถ้ามันทื่อๆเมื่อไหร่นละ้วโยรีบฉเฉลียวใจเลยว่านี่ต้องแอบไปจงใจอะไรสักอย่างวิธีการสมมติยังดูไม่ออกนะโยเกือเลิกปฏิบัติก่อนลืมเรื่องปฏิบัติไปชั่วคราวนาทีสองนาทีตอนนีน้คลายออกแล้วรู้สึกไหมขับขึ้นมาอีกมันเคยชินที่จะรวบเข้ามา ดวงเป็นไงดวงนะ <What? S 1> <laughs> <laughs> โอวฟังหลวงพ่อแล้วปวดหัวเลยแต่ไม่แปลกนะบางคนมาสารภาพผมมาฟังหลวงพ่อครั้งแรกนะมึนมากเลยผมขับรถออกจากวัดไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหน <laughs> <laughs> จริงๆธรรมะง่ายง่ายาคิดมากเลยยากง่ายๆนะเห็น <laughs> <laughs> เราดูหนังฟังเพลงเราทําอะไรในชีวิตจริงๆอะ่ะความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้รู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปจิตใจของแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมวันนี้ผ่องใสวันนี้เซ็งวันนี้เศร้าความรู้สึกแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนาะทีแรกหัดดูเป็นวันๆก่อนต่อมาก็ดูให้ละเอียดขึ้นหน่อยตอนเช้าความรู้สึกอย่างหนึ่งตอนสายความรู้สึกอย่างหนึ่งตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนนะ ความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ละช่วงเวลาต่อมามันจะดูได้ละเอียดขึ้นนะจิตใจเคลื่อนไหวว่๊แ ป, ป๊บๆ๊ปแ ป, ป๊บไงความรู้สึกเล็กเล็กน้อยน้อยเปลี่ยนแปลงไงก็จะรู้เองอนะหัดใหม่ๆหัดรู้ช่วงยาวๆก่อนแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ใช รู้ที่ความรู้สึกเรานะใช่รู้ความรู้สึกอให้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแต่ให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้ไม่นั่งจ้องไม่นั่งจ้องเมื่อเราจะใช้ชีวิตปกติเลยใช้ตาหูจมูกลิ้นใจใจทํางานปกติะดูอะไรก็ได้ดูๆไปสมมติเรานั่งรถมาวัดนเห็นดอกไม้ข้างทางออกดอกแบสวยใจเราชอบปุ๊บรู้ว่าใจชอบไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้ชื่ออะไร รู้ว่าใจชอบนะเดนั่งรถมาพักหนึ่งนะเห็นคนมุงมุงอยู่อ้าวมอเตอร์ไซค์ล้อมอยู่สยองละสยองรู้ว่าสยองนะไม่ใช่รู้ว่าไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มีกี่คนผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ให้รู้ที่ใจเราถ้สมว่าเราโกรธคนความรู้สึกโกรธที่เกิดขึ้นนะคะให้เราดูว่าเราโกรธให้รู้ที่ความรู้สึกนะ ให้รู้ที่กระแสของความรู้สึกอะความรู้สึกมันจะพุ่งพุ่งขึ้นมานะให้รู้ความรู้สึกไม่ใช่อันนั้นสมถะละนั่นมุง่งแก้ไขนะให้รู้จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะให้รู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติตัวแท้เกิด น, นะโทสะไม่มีหรอกทันทีที่สติตัวจริงเกิดโทสะดับหมดเลยแต่ทําไมโทสะตัวนี้ไม่หาย เพราะว่ามันมีโทสะอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังอย่างเราโกรธคนนี้สมมติว่าโกรธคุณผู้ชายคนนี้โกรธเขาถ้าคนทั่วๆไปก็ไปดูผู้ชายคนนี้ดูคนที่เราโกรธตอนนี้มันก็โกรธไปเรื่อยๆนี่นักปฏิบัติพอโกรธเขาก็มาดูที่ความโกรธเนี่ยแต่ส่วนมากพอดูที่ความโกรธแทนที่จะรู้อย่างใจเป็นกลางนั้นไม่ชอบความโกรธอยากให้หายโกรธอยากจะดี ให้รู้ตรงที่ไม่ชอบความโกรธเนี่ยเป็นความโกรธอีกตัวหนึ่งที่ซ้อนอยู่ข้างหลังเนะมื่อความโกรธตัวนี้ยังมีอยู่จิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นความโกรธ ต, ตัวเดิมเนี่ยเลยยังตั้งอยู่ได้เพราะจิตนั้นมันเป็นอกุศลใ่ความโกรธี่เนี่ยมันเป็นอกุศลพอพอราู้นนี้่ต อ, อนี้จิตเป็นอกุศลลตัวนเป็นอกุศลใช่ก็แล้วแต่ว่า ตัวที่เป็นกุศลหรืออกุศลจะเกิดรับช่วงต่อไปอีกเราเลือกไม่ได้นะ ม, ม, มีหน้าที่ตามรู้ไปด้วยนะรู้จิตดวงก่อนนี้เผลอไปแล้วก็กลายเป็นจิตที่รู้สึกตัวแต่พอจิตที่รู้สึกตัวดวงนี้ดับปั๊บนะมันก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งมารู้อ้อจิตตัวงตะกี้รู้สึกตัวนะเนี่ยจะไล่ซ้อนกันแบเนี้ยจะเป็นการรู้ตามหลัง ไอ้ปฏิเวสตกลงปฏิเวสจะได้ไปงานจันทองอินอป่ะเหนือบางทีเวลาเราเราดูจิตดูว่าปวดหรือว่าชอบหรอลงเนี่ยมันจะเหมืนนอนมีความคิดเล็กๆต่างคือมันเขารสึกมันรู้มันปวดแันจะบอกว่ามันปวดไม่ชอไม่ ม, มันมันอดภาคไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นเสม อ, อเป็นทุกคนนะแล้วสักพักหนึ่งทาไปช่วงหนึ่ง เราจะรู้สึกว่าน่ารําคาญพูดอยู่ได้อพอําคานนะนะให้รู้รําคานนะแต่ภาวนากันนานเลยลนะ่ะกว่ามันจะเลิกพูดอ <c oughs> มันอดพูดไม่ได้ตรงที่มันพูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบัญญัตินะ <c oughs> บัญญัติไม่ใช่อารมณ์ปรมัจิตก็จริงแต่บัญญัติก็เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ไนะงนิดมีปัญหาอะไรก็ตาม ตัวไหนเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ดีกว่านี้เราเลือกได้ไหมคะเราเลือกไม่ได้ตอนตื่นอยู่เรายังเลือกไม่ได้เลยว่าจะให้จิตเป็นกุศลหรืออกุศล น, นะเพราะงั้นเราเลือกไม่ได้อยู่ที่ว่าจิตเนี่ยคุ้นเคยกับอารมณ์ตัวไหนมากก็มีป๊อปมีโอกาสที่จะไปทางนั้นเยอะดังนั้นหน้าที่ของเรานะทําจิตให้คุ้นกับอารมณ์ฝ่ายกุศลไว้อย่าให้จิตไปคุ้นกับอกุศล ไปจับอะไรจับยังไงไปจับตัวพระเลยออ๋อคอยะระลึกถึงะระลึกถึงเรื่อยๆใช้ได้คืออย่างเงี้พยพระทุกเจ้าก็สอนถ้าจะคิดนะถ้าจะคิดถ้าจะนึกอะก็คิดเรื่องอนุสติสิบพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอะไรเงี้ยศีลานุสติจารคาการบริจาคอะไรี้ คิดถึงคนดีๆเทว ด, ดานุสติอย่างคิดถึงในหลวงคิดถึงพระเทพอะไรเงี้ยก็เข้าข่ายเทว ด, ดานุสติคิดแล้วมีความสุขอย่เงี้ยอย่าไปคิดถึงอะไรที่คิดเราวกุ้มใจนะไม่เอ า, าอืมอ่ไอ้ตัวนั้นคิดไม่ได้เราไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นแล้วถ้าจะพูดก็พูดกถาวัตถุสิทธ บ้างไงชีวิตรันทดมากไหม <c oughs> เออนะ <c oughs> เออมันห้ามไม่ได้นะสิ่งที่มันมากระทบนะมันเป็นวิบากนะวิบากนี่เป็นผลของอดีตเมื่อเป็นผลของอดีตที่เราแก้ไขไม่ได้ละเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มากระทบเนี่ยจะดีหรือจะร้ายเนี่ยนะ ให้รู้ไปแล้วเราทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีก็คื อ, อพอวิบากส่งผลมาเราต้องมาพบคนที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบเราทำกรรมใหม่ที่ดีเลยรู้ทันใจของเราที่ไม่ชอบนี่นะเห็นเลยว่าใจของเราไม่เป็นกลางใจเราอยากไปให้พ้นรู้สึกั้มใจเราอยากไปให้พ้นอยากไปให้พ้นโลกนี้เลยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขรู้สึกสุขหลังแกตลอดนะให้คอยรู้ทันลงไป เราทำกรรมใหม่ที่ดีไว้ผลของมันจะได้ดีนี่บางคนพอวิบากที่ไม่ดีให้ผลมาเจอคนไม่ดีเนี่ยก็ามาทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีเค่ไปเกลียดเขาเพราะงั้นต้องของเก่าแก้ไม่ได้ต้องยอมรับสบภาพว่าอันนี้เป็นผลของอดีตที่ทำมาแล้วหนีไม่ได้นะถึงเวลาหมด พลังงานที่ส่งมาตัวนี้หมดมันก็พ้นง่ายๆเลยแต่ว่าเราจะต้องพลิกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่กับวานากรนะภาษาติกินอยู่กันอยู่ได้ตั้งเกือนะบสิบห้าปีเนี่ยนะเจอเจอหน้าเขาก็เครียดแล้วเครียก็ดนะูต่อมาแค่คิดถึงก็เครียดแล้วเครียดแล้วก็ดู ก้าวดูไปวันไหนเขาไม่อยู่นะแม้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขนานๆทีนึงไปถามหลวงปู่เทศนะโอ้ไม่รู้จะทําไงหางานใหม่ก็ไม่ได้ไปหาหลวงปู่เทศตอนท่านให้พอ่อนน่ะนึกเพื่อประกุหลวงปู่ขอให้พ้นอีใยคนนี้เทียเถอะตอหลวงปู่ให้พอ่อนเสร็จหลวงปู่ยิ้มหวานเลยหันมาพูดด้วยคำเดียวกรม ่าสบายใจสบายใจได้พักหนึ่งนะดกรรมก็จริงแต่เมื่อไหร่จะหมดวะ <c oughs> ถ้าอยู่ตรงที่ยากลําบากที่สุดได้แล้วนะชีวิตต่อไปไม่ลําบากหรอกคือคนเคยลําบากไปเผชิญอะไรนะก็ไม่ค่อยกลัวรอกคนจะเคยแต่สบายเจออะไรนิดหนึ่งก็แย่และ งั้นลำบากก็เป็นประโยชน์นะเอามาฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งนะอย่าค้ำครวนนะยิ่งเราตีปวยตีภายค้ำครวนสงสารตัวเองน้อยอกน้อยใจนะยิ่งแย่ใหญ่เลยต้องพลิกมาให้เกิดกำลังใจว่านี่เรากำลังได้บทเรียนได้แบบฝึกหัดเห็น 1. 1> ไหมเนี่ยเป็นวิธีแก้ทุกข์กันหนึ่ง ดูคนที่ทุกข์กว่าแต่ไม่ใช่วิปั ส, สนาเป็นกแค่การเปรียบเทียบเวลาทุกข์มากๆไปดูคนอื่นสักบ้างก็หายทุกข์เหมือนอกันก็อเอาสิ <c oughs> เอาอะไรก็เอาเครื่องมือที่จะใช้มีเยอะแยะนะใช้เครื่องมือตัวไหนได้ก็ใช้ไปแต่เครื่องมือมันใช้ซ้ําไม่ได้ใช้ได้ชั่วคราว เนี่ย ว, วันหลังก็ใช้ไม่ได้อีกเออมันตื้อยาเพราะว่าเราใช้ด้วยความคาดหวังเราคาดหวังว่ามันจะได้มันเลยไม่ได้เอาวันนี้ได้เวลาพอสมควรนะชั่วโมงกว่า